สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภา ษ, ษิตที่สําคัญมากข้อหนึ่งครับสุภาษิตบทที่2 2่ข้อหโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นเฟรนดาบัตชา the way he should go. even when he is old he will not depart from it อันนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ e n g l i s h Standard version นภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องครับเราจะเริ่มต้นบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนี่เป็นภาษตไทยคำว่าตีนั้นไม่ได้หมายความว่าใช้ความรุนแรงโดยไม่มีการสอนหรือใช้อารมณ์แต่คำว่าตีนั้น มีความหมายว่าตีสอนครับเป็นการฝึกฝนฝึกฝนให้เด็กมีแนวคิดที่ถูกต้องฝึกฝนให้เด็กมีความประพฤติอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นคำว่าฝึกฝนนั้นมีความหมายถึงการอุทิศครับอุทิศโดยมีแนวคิดของการทาให้แคบลงการวางกรอบการตีกรอบหรือรวมถึงความหมายของการตะล่อมตะล่อม คือใช้จิตนิทยาครับในการดูแลเลี้ยงดูเด็กให้เขาอยู่ในทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องนั้นมีความหมายว่าอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในความชอบธรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กครับให้เด็กนั้นมีพฤติกรรมที่ดีมุ่งไปสู่ปัญญาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ เป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ของคนที่เลี้ยงดูผู้ปกครองของผู้ที่เรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเช่นเดียวกันครับแนวความคิดของการอุทิศแนวความคิดของการฝึกฝนแนวความคิดของการกล่อมเกลาอยู่ภายใต้ศา ส, สนาศาสตร์ที่ว่าเรากำลังสร้างชีวิตของเด็กให้เป็น เครื่องถวายหรือของถวายแด่พระเจ้าครับเป็นการตระเตรียมชีวิตของเด็กให้เกิดความพร้อมเพื่อความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่คอยเขาอยู่ในวันข้างหน้าในอนาคตนี่คือความหมายของการศึกษาครับคําว่าการศึกษานั้นคือการบ่มเพาะการศึกษานั้นคือการฝึกฝนการศึกษานั้นไม่ใช่เริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกครับการศึกษานั้นเป็นการ เตรียมความพร้อมโดยคนที่มีประสบการณ์หากไม่มีประสบการณ์โดยคนที่มีคําสอนโดยคนที่มีพระวจนะเพราะฉะนั้นอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเด็กนะครับก็คืออยู่ที่การบ่มเพาะ อ, อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การฝึกฝนของผู้ที่มีความชํานาญหรือจากผู้ที่มีความชํานาญครับเป็นเหมือนกับการติดอาวุธเพื่อจะให้เด็กออกไปสู้รบออกไปทําศึกสงคราม กับชีวิตในอนาคตกับคนที่ชั่วร้ายกับโลกที่มีแต่ความผันแปรและแปรปลวนบางคนบางครอบครัวอาจจะมีความคิดในการเลี้ยงลูกที่ไม่ตรงกับพระกัมภีก็ขอพี่น้องที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเชื้ใหม่ให้ตรงกับพระกัมภีพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆในพระกัมภีได้ถูกพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วจากชนชาติอิสราเอล พี่น้องลองจินตนาการนะครับว่าหากชนชาติอิสราเอลนั้นไม่มีพระกัมภีร์ไม่มีพระเจ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการสอนไม่มีหลักไม่มีคําอถาธาิบายชนชาติของเขาจะอยู่ยงคงกับพันมาจนกระทั่งถึงบัตนี้แหละครับคงไม่ใช่เช่นนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าใครก็ตาม ที่ได้ให้ลูกหลานอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าลูกหลานหรือเด็กคนนั้นจะเติบโตมาเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าครับและเขาจะอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไปเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลนั้นสิ้นชาติกว่า 1, 800ปีเขาสามารถกลับมาได้เพราะว่าภาษาฮีบรูที่ใช้เขียนพงศ์พีเขายังใช้อยู่เพราะว่าภาษาใช้อยู่ครับ เพราะว่าขอบขนรรมเนียมประเพณีถูกใช้อยู่เพราะว่าความเชื่อในพระเจ้าของเขานั้นถูกดํำรงไว้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระคัมปีได้เตือนสอนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคําว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นรวมความถึงผู้ปกครองของเด็กด้วยครับคนที่ดูแลเด็กและในคดิจักนั้นก็หมายถึงครูละวีครับหมายถึงผู้ปกครองฝ่ายวิญ ญ, ญาณที่คอยดูแลชีวิตของ ลูกแกะลูกแกะไม่ว่าจะเป็นลูกแกะที่มารับเชื่อใหม่ลูกแกะที่กำลังอยู่ในความสนใจลูกแกะที่มีการเรียนรู้เติบโตในทางของพระเจ้านี่คือความหมายของคาว่าเด็กครับคาว่าเด็กนั้นมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกรุ่นทุกวัยตลอดจนเน้นอยู่ที่ว่าในระดับของยุวชนอนุชนที่เขา กำลังฟอร์มชีวิตในอนาคตดังนั้นประโยคที่ว่าจงฝึกเด็กคําว่าเด็กนั้นก็หมายถึงยุวชนได้ครับอนุชนก็ได้ครับจนถึงทั้งถึงวัยที่จะแต่งงานนั่นคือปากทางชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นคําว่าทางที่เขาควรจะเดินไปนั้นหมายถึงปากทางชีวิตครับปากทางชีวิตและบุคลิกภาพทั้งหมดของคนเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะ ดูแลเขาให้การศึกษาเขาบม่มเพาะเขาฝึกฝนเขาจะต้องอยู่ที่ปากทางครับถ้าเราไปแก้ที่ปลายทางหรือกลางทางก็คงจะแก้ยาก พ, พระค์กภีสอนเราว่าต้องแก้ที่ปากทางต้องให้การศึกษาที่ปากทางต้องฝึกฝนที่ปากทางครับปากทางชีวิตจะเป็นปากทางที่รวบรวมสะสมเป็นแหล่งกำเนิดของบุคลิกภาพทั้งหมดของชีวิตของเขา เช่นการแสดงออกทางอารมณ์การตอบสนองต่อสิ่งเร้าการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆในแต่ละช่วงวัยของชีวิตรวมทั้งเป้าหมายสูงสุดของเขาด้วยพี่น้องครับเป้าหมายสูงสุดของเราจะเป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมาเป้าหมายสูงสุดของเราจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ส่วนรวมหรือว่าจะเอาจะให้นี่แะครับชีวิตที่เอาหมายความว่าชีวิตที่มี ตัวเองเป็นศูนย์กลางชีวิตที่ให้ก็คือชีวิตที่คนอื่นเป็นศูนย์กลางนั่นหมายความว่าพ่อแม่ครูนะครับพี่เลี้ยงหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมผัสกับชีวิตของตั้งแต่เด็กเล็กๆจนทั้งถึงเยาวชนควรฝึกฝนเด็กในทางแห่งปัญญาครับคือการดําเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบอกเกิดของสติปัญญาเป็นแหล่งกําเนิดของสติปัญญาเพราะฉะนั้น การปล่อยให้เด็กโตขึ้นเองนะครับตามทางของโลกอยู่กับเพื่อนอยู่กับทีวีอยู่กับโทรทัศน์อยู่กับอินเทอร์เน็ตพี่น้องครับคาดหวังได้ครับว่าเส้นทางชีวิตของเด็กคนนี้จะไม่ประสบความเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างแน่นอนและอาจจะนำตัวเองไปถึงความหายานะทั้งร่างกายจิตใจได้พี่น้องครับหากเราปล่อยให้เขาไปตามทางของโลกและไม่ได้คิดจะทำอะไรนะครับ และปล่อยให้เขาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์มาตรฐานความคิดแนวคิดคอนเซปต์ของโลกนี่แหละครับทำให้เด็กหลายๆลคนหลงไปเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ใหญ่หลงไปก่อนผู้ใหญ่คิดว่าไม่มีความสำคัญที่จะต้องพาเด็กมาโบสถไม่มีความสำคัญที่ต้องพาเด็กมารวีไม่มีความสำคัญที่จะต้องเปิดแท่นบูชาในครอบครัวก็คือการนามัสการในครอบครัวนิสัยเหล่านี้ครับจะติดตัวเด็กหลายๆท่านคงจะเสียใจเพราะว่า จะทําผิดพลาดแต่พี่น้องครับพระเจ้ายังให้โอกาสเราในการอาธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราครับเพราะเจตนะของพระเจ้าตอนนี้ท้าทายความเชื่อของพ่อแม่ที่ฝักใฝ่ในทางธรรมว่าเด็กของเราหรือลูกของเราหลานของเราที่รับการฝึกฝนที่ดีฝึกฝนในทางที่ชอบที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมของพระกรมัมภีนะครับเด็กเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมาและเด็กเหล่านี้จะอยู่ติดโบสถ์ครับเพราะว่า มีคิตสึจักรที่เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางแห่งวิธีการของพระเจ้าที่จะบอกเล่าถึงวิธีที่จะสอนลูกในทางธรรมในทางศีลธรรมในทางคุณธรรมในทางของพระเจ้าในบทบทบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับคริสึจักรเป็นศูนย์กลางแห่งวิธีการสอนวิธีการดูแลเด็กเพื่อที่ว่าจะสามารถนําไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างชัดเจนแน่นอนและ เป็นรูปธรรมครับแผะะ้นพ่อแม่จึงจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับโบสถ์เพื่อที่จะเรียนรู้หลักคำสอนจากห้องเรียนละวีครับทำให้การเริ่มต้นถูกต้องในยามปฐมวัยของชีวิตก็จะส่งผลกระทบถาวรครับต่อบุคลิกภาพวิธีการคิดการพัฒนาชีวิตองรวมตลอดไปพี่น้องครับการเลี้ยงลูกให้ดีผมอยากจะขอสรุปนะครับก็คือการอุทิศมอบเขาวไว้กับพระเจ้า เตรียมพร้อมเขาในการที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอุทิศตัวในการดูแลเลี้ยงดูฟูมฟักเขาเตรียมลูกให้เข้าสู่พันธกิจในอนาคตครับถือว่าเป็นการเตรียมสร้างคนสร้างผู้ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่มากขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านนะครับในการที่เราจะสอนลูกหลานของเราให้อยู่ในทางที่เขาควรจะเดินไปพี่น้องที่อาจจะผิดพลาดไปแล้ว ขอพระเจ้าเมตตาครับในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อลูกเผื่อหล้านของเราต่อไปเพื่อที่พระเจ้าจะทรงพระกรุณาและทรงพระคุณที่จะให้เด็กๆ เ, เหล่านี้หรือลูกหลานของเราได้กลับใจอยู่ในทางของพระเจ้าอามน